ผมขอแสดงความยินดีนุโมธนาต่อพระราชพัฒที่ลาบวชทั้งหลายขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายได้รับโอกาสได้มีโอกาส ที่ได้บวชจะที <t arnos at all> mantra, ่จะได้ฝึกฝนพระธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์หลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะเป็นผู้ สืบ อ, อายุประสาศาสนาไม่เคยบวชไม่ค่อยจะรู้หน้าที่ในการที่จะช่วยสืบ อ, อายุประสาทศาสนาถ้าเคยบวชเคยได้ยินได้ฟังได้ล่าเรียนรู้รอบรู้ก็สามารถที่จะสืบ อ, อายุประสาศาสนาไม่ว่าจะยังคงอยู่เป็นบนรรพชิต หรือแม้ที่สุดแต่จะออกไปครองเรือนพระวาชาผู้ครองเรือนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสืบ อ, อายุาศาสนาด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้เป็นมาแล้วตลอดเวลาสำหรับการบวชนี่ถ้าว่าโดยเนื้อแท้นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ต้องการจะ นัสละความเป็นอยู่อย่างวิสัยโลกออกไปสู่ชีวิตแบบที่สูงกว่าธรรมดาโลกในขั้นปลายในเบื้องปลายแห่งชีวิตทั้งนั้น <c oughs> นี่เป็นธรรมเนียมอายุมากข้นแล้วก็บวชเพื่อแสวงหา ความสุขในบรนปลายแห่งชีวิตจากการบวชแต่บัดนี้มันก็เกิดมีขนรตมเนียมประเพนีขึ้นในประเทศไทยเราให้คนหนุ่มบวชชั่วคราวมันก็ไม่ขัดแย้งอะไรกันไม่ได้เป็นการฝื้นคำสั่งซ้อนหรืออะไรทำานองนั่น เพราะว่าจะได้ศึกษาสิ่งที่จะทำให้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อไปไม่จะซึกออกมาเป็นคราวาสก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหาัโดยทุกทิศ ท, ทุกทางมันดีอย่างนั้น <c oughs> และอีกทางหนึ่งเท่าที่เราทราบมาแม่ในประเทศอินเดีย ก็มีระเบียบให้คนหนุ่มออกไปอยู่ในลักษณะที่เป็นการฝึกฝนอย่างยิ่งคือไปเข้าอาสมในทางศาสนาฝึกฝนเรื่องทางกายทางวาจาทางใจชนิดที่สูงขึ้นไปกว่าธรรมดา <c oughs> จนอาจารย์ ผู้เป็นหัวหน้าผู้ปึกเนี่ยบอกว่าเอ้าพอแล้วคุณกลับไปได้แล้วกลับไปบ้านได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตกลับมาคือ <c oughs> มีความรู้พอตัวที่จะดําเนินชีวิตเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเดีย๋ยวนี้ก็ยังมีระเบียบอย่างนี้ใช้อยู่ไม่ว่าจะไม่ มากมายเพราะว่าการศึกษาสมัยใหม่มันเข้ามาแทรกแซงแล้วมันก็เป็นเรื่องบัณฑิตอย่างแบบใหม่ไปหมด <c oughs> แต่แบบเก่าเขาก็เรียกว่าบัณฑิตด้วยเหมือนกันนี่ก็หมายความว่าคนหนุ่มออกไปศึกษาฝึกฝนเรื่องที่ควรจะศึกษาฝึกฝน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุด ที่จะดีได้นั่นเองนั่นแหละความประสงค์มุ่งหมาย <c oughs> ถ้าสมมุติว่าจะไปเป็นพ่อบ้าน่นะก็จะไปเป็นพ่อบ้านที่ดี <c oughs> จะไปเป็นพลเมืองก็ไปเป็นพลเมืองที่ดีจะไปเป็นอะไรก็ตาม <c oughs> จะไปเป็นอหน้าที่ตาแหน่งใดในในโลกเนี่ยก็จะเป็นได้อย่างดีเพราะเหตุไร <c oughs> เพราะเห็นว่าเคยฝึก สิ่งที่ควรจะฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับตัวเองคือบังคับกายวาจาใจได้สำเร็จเป็นผู้ช่องแคล่วในการที่จะบังคับจิตซึ่งจะบังคับกายบังคับวาจาด้วยทำให้เกิดโทษขึ้นมาเพราะเหตุนั้น ดังนั้นคนชนิดนี้จึงมีประโยชน์แม้ในความเป็นคาราวาสสำหรับเรื่องการบวชนี่เราจะถือเอาความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นหลักสำหรับพระรา ช, ชพันทั้งหลายแต่ถ้าโดยหลักทั่วไปมันหมายถึงบวชเลยบวชไปเลยอย่างนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ไปหมดเว้นหมดจากความเป็นคราวาสเาไวเป็นเป็นบรรพชิตจนตลอดชีวิตนั่นมันก็อีกเรื่องหนึง่งถ้าทำได้ไก็ทำ ก, ก, ก็ทาและทำต่อไปถ้าทำไม่ได้จาเป็นจะต้องสึกจอต้องลาศิกขาเอาไว้เป็นคราวาสนั่นก็ทำให้ดีที่สุดรู้สึกว่าสามสี่เดือนนอี่ยงน้อยไปยังมีการฝึกที่น้อยไป แต่เมื่อมันมีธรรมเนียมบวชเพียงสามสี่เดือนก็พยายามใช้เวลาให้ดีที่สุดในการที่จะฝึกฝนปรับปรุงตัวเองให้ได้รับประโยชน์สมตามความมุ่งหมาย <c oughs> ผมอยากจะใช้คำรวมกันไม่ว่าจะเป็นวันพระชิดหรือจะเป็นคราวาด ไอ้คำรวมกันคำนั่นก็คือว่าการชนะโลก <c oughs> ชนะโลกไม่แพ้แก่โลกชนะโลกอยู่อย่างวันพชิตไปก็เป็นการชนะโลกโดยเด็ดขาดสูงๆูขึ้นไปแต่ว่าแม้จะออกไปเป็นคราวาสก็ต้องมีการชนะโลกตามสมควรแก่อัตภาพของตนของตน ถ้าพ่ายแพ้กแก่โลกมันก็คือความวินาะแม่คราววาทนั่นแหละคราววาดที่พ่ายแพ้แก่โลกก็บแม้ความว่าพ่ายแพ้แ ก, ก่กิเลสก็ท <g ül> ําไปในลักษณะที่ทําตัวเองให้ต่ําตกต่าตกต่าตกต่าไปกว่าระ ด, ดับของความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ชนะโลกหรือพ่ า, ายแพ้แก่โลก นั่นไม่ว่าเราจะลาสิกขาวเป็นขราวาจะต้องมีหลักว่าจะออกไปเป็นผู้ชนะโลกไม่ให้โลกครอบงำย่ายีเราเสียหายหมดแต่จะกระทำสิ่งทุกสิ่งให้เป็นไปเพื่ อ, อความจเจริญรุ่งเรืองสวัสดีมีชัย <c oughs> แก่ชีวิตจิตใจทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่คือชนะโลก นั่นเราจึงมีการบวชได้แม้ชั่วคราวและเพื่อฝึกฝนการชนะโลกซึ่งจะต้องศึกษาอืกันเสียแต่บัดนี้ซึ่งอยากจะพูดว่าการที่มาอยู่อย่างนี่อบรมอย่างนี่ฝึกฝนอย่างนี่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องซ้อยเรื่องอะไรต่างๆนี่มันล้วนแต่ฝึก เพื่อชนะโลกคือจะบังคับกิเลสได้จะไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำ ย, ำย่ายีและไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นอบายามุขเป็นต้นและว่าจะได้ฝึกฝนการเป็นอยู่อย่างต่ำ <c oughs> ซึ่งเป็นธรรมชาติหรือใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุด ตัวอย่างก็จากอยู่เดี๋ยวนี้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งกลางดินเราไม่ต้องนั่งบนตึกบนเก้าอี้บนอะไรที่มันมีราคาเป็นล้านๆเหมือนที่เขาทำกันอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ <c oughs> นั่นไม่เป็นการศึกษาไม่ส่วนนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งกลางดินถ้าใครยังไม่ทราบก็ควรจะทราบเถอะ ว่าพระพุทธเจ้านั่นนะท่านก็ประสูตดกลางดินเมื่อจัดสรู้ก็ัดสรูกลางดินนั่งกลางดินจัดสรูไม่ได้จัดสรูในมหาวิทยาลัยอะไรที่ไหนแล้วท่านก็สอนส่วนมากก็เมื่อนั่งกันอยู่กลางดินเมื่อเดินทางไปก็ได้อถ้าว่ากุติวิหารที่ชายอยู่อาศัยก็เป็นพื้นดิน เนี่ยสอนกลางดินอยู่กลางดินปฏิบัติงานกลางดินแล้วในที่สุดอนนิพพา น, นกลางดินเนี่ยช่วยเอามือคลาดินเอามือรูปดินให้มีความรู้สึกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าแผ่นดินเนี่ย เป็นที่ประสูตเสิเป็นที่สัตสรูเป็นที่สั่งสอนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปริปนิพานแผ่นดินโคนต้นไม้ <c oughs> มีแถมกับมันหน่อยว่าโคนต้นไม้ประสูตก็โคนต้นไม้สัตว์รูโคนต้นไม้อสอนโดยมากก็เออตาต้นไม้ก็นิพานในที่สุดก็ตายต้นไม้แต่ไม่สําคัญถ้า ก, กับกลางดิน เราจงพยายามดำรงชีวิตใกล้ชิดกับแผ่นดินให้มากเท่าที่จะมากได้เพราะว่ามันเป็นการใกล้ธรรมชาติอย่างธรรมชาติคุ้นเคยกับธรรมชาติ เมื่อคุ้นเคยกับธรรมชาติแล้วมันก็ง่ายในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะและรู้ธรรมะเพราะว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยเข้าใจกันไว้ดีๆว่ามองในแง่หนึ่งแล้วจะเห็นได้ทันทีว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติ ธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายตัวธรรมชาติทั้งหลายเป็นรูปธรรมนามธรรมสังคตธรรมอสังคตธรรมอะไรก็ตามที่เป็นตัวธรรมชาติน่ะเรียกว่าธรรมในบาตาบาลีเรียกธรรมเฉยๆธรรมะเฉยๆที่ตัวกฎของธรรมชาติในฐานะที่เป็นในสัจธรรมมันก็เป็นกฎของธรรมชาติ จะดับทุกข์หรือจะเกิดทุกข์หรือจะอะไรก็ตามมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไอกฎของธรรมชาตินี่ในภาษาบาลีก็จะว่าทำคำเดียวกันเองทีนี้ก็มาถึงหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไม่ดับทุกข์ได้นะ่ะมันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งเราจะต้องฝึกกันอยู่เสมอฝึกทาหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหน้าที่อันนี้ก็เรียกในภาษาบาลีว่าทมคำเดียวกันนี่แหะแต่หมายถึงปฏิบัติธรรม <c oughs> ปฏิบัติธรรมในที่สุดมันได้ผลมาตามควรแก่การปฏิบัติ จะเป็นเรื่องโลกก็ดีเป็นเรื่องธรรมะเป็นมรค น, นิพพานก็ดีผลของการปฏิบัติตามหน้าที่นี่ก็ยังเรียกโดยบาลีว่าธรมทำรมคําเดียวกันอีกนั่นแหละก็ให้รู้เถอะว่าไอ้ธรรมะทั้งสี่ความหมายนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมดาทั่วไปเรียกว่าสภาวะธรรมกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมหน้าที่ ตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าปฏิบัติธรรม <c oughs> ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมทั้งสี่อย่างนี้ในพระธาตุบาลีเรียกว่าธรรมคําเดียวซึ่งแสดงเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติดั <c> ้ <oughs> เราจะมาอยู่ทดลองเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุด <c oughs> อย่างว่ามาพักข้างอยู่ที่นี่ก็ฝึกฝนอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ที่ให้มันลดลงไปอยู่ในระดับธรรมชาติจะเป็นการรับชันอาหารก็ดีการอยู่ก็ดีการทุกอย่างเละด้วยเราจะมีลักษณะชนิดที่ใกล้ชิดธรรมชาตินั่งกลางดินโคนต้นไม้ใกล้ชิดธรรมชาติทิ่งกว่าจะนั่งจะ อยู่จะเรียนบนตึกราคาเป็นล้านๆมันยิ่งไกลธรรมชาติเดี๋ยวนี้เรามาฝึกฝนการที่จะเอาชนะให้ความรู้สึกต่างๆซึ่งเป็นกิเลสถึงล้วนแต่ตีตดนออกห่างจากธรรมชาติ <c oughs> เพราะว่ากิเลสมันต้องการสวยงามสนุกสนานอเนอร่อย <c oughs> ผิดธรรมชาติไกลธรรมชาติทีนี้ก็มาฝึกอาฝนการชนะกิเลสโดยการเป็นอยู่ให้ใกล้ชิดธรรมชาติจึงขอบอกกล่าวว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่จงพยายามเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติ อย่างน้อยที่สุดว่าอาฉันข้าวด้วยมืออย่างนี้มันเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าน่ะฉันอาหารด้วยพระหัดด้วยมือไม่มีช้อนซ่อมตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรอะไรอีกมากอย่างเหมือนที่เรามีพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้รถยนต์พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรแม้ที่สุดแต่ว่าไอ้คีมตัดเล็บ สวยๆสะดวกสะดวกเหมือนที่เราใช้กันอยู่นี่พระพุทธเจ้าไม่เคยมีไม่เคยรู้จักเอาแล้วเป็นว่าเราจะให้มันง่ายให้มันต่ำลงไปมีการกินการอยู่การใช้การในปฏิบัติต่งตางๆให้มันใกล้ชิดธรรมชาติผล <c oughs> ที่สุดมันก็กล่าวได้ว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยแทบจะแทบจะไม่ต้องใช้เงิน แทบจะไม่ต้องใช้เงินไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้เงินเลย ก, ก็ก็ยังอยู่ได้บางองค์เขาปฏิบัติอยู่อย่างไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่ค่าทานไฟฉายก็ไม่ซื้อให้มันได้มาก็ได้มาตามที่ว่าไม่ไม่ไม่มีการใช้เงินเอากันอย่างนั้นอ ย, อย่างนี้ก็เป็นการ ฝึกอย่างแรงซึ่งจะเอาไปใช้ได้สำหรับเมื่อออกไปเป็นคาราวาสมันก็จะใช้เงินน้อยที่สุดจะสามารถเป็นอยู่ได้อย่างใช้เงินน้อยที่สุดหรือในบางอย่างบางกรณีหรือโดยมากนะไม่ต้องใช้เงินเลยนี่มันเอาชนะโลกเอาชนะกิเลสเอาชนะปัญหาในโลก นั่นขอให้เห็นว่าเป็นการฝึกที่มีค่ายิ่งกว่าที่จะไปสอบไล่ไดเ้เกียรติบัตรปริญญาบัตรประกาศนียบัตรอะไรไปเสีย อ, อีกขอให้ได้ธรรมะตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าออมาอยู่กับเนื้อกับตัว <c oughs> เรื่อยๆไปกันตลอดเวลา แล้วก็จะติดเป็นสันดานแล้วก็จะเป็นเป็นอยู่ได้โดยง่ายในโลกนี้โดยไม่ต้องมีความทุกข์ให้เป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าชนะโลกชนะโลกอย่าให้ต้องร้องไห้อย่าให้ต้องฆ่าตัวตายเพราะพ่ายแพ้แก่ปัญหาในโลก <c oughs> นี่เรียกว่าการบวช แบบนี้แบบการบวชแบบพระรา ช, ชพัฒที่จะบวชชั่วคราวนะไม่ใช่บวชตลอดไปซึ่งจะอีก <c oughs> ความหมายหนึ่งแม้จะบวชชั่วคราวก็ยังได้อะไรมหาศาลมากมายมหาศาลคือได้มีรับการฝึกฝนได้รับความรู้สําหรับจะเป็นผู้ปฏิบัติอยู่อย่างชนะโลกชนะโลกจะจําไว้คําหนึ่งด้วยถ้าเราเป็นผู้ชนะโลกเราก็จะอยู่ในโลกสบาย สงบเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผู้ภายแพ้แก่โลกนมันก็คือภายแพ้แก่กิเลสมันเต็มไปเลยความทุกข์ทรมานถูกบีบคั้นถูกอะไรด้วยกิเลสด้วยสิ่งที่เรียกว่ากิเลสแล้วเอาชนะมันไม่ได้บางทีก็ยิ่งประชดยิ่งทําให้มันเลวให้มันชั่วหนักขึ้นไปอีกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องชิบหายหมดวินาศหมดไม่มีอะไรเหลือ ในการที่จะดำรงชีวิตยอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าการบวชแบบนี้คือบวชแบบชั่วคราวที่นี้ถ้าจะถามว่าทำไมทำไมจะต้องบวชเนื่องจากอะไรก็บอกมาแล้วเป็นคร่าวๆก้างต้นแล้วว่าเพราะมันยังขาดผู้ที่มีคุณธรรม ยังขาดความเป็นผู้มีคุณธรรม <c oughs> สำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนี่เพื่อจะเป็นพ่อบ้านที่ดีคุณธรรมสาหรับความเป็นพ่อบ้านที่ดีมีอยู่หลายอย่างหลายประการพะเรายังขาดคุณธรรมข้อนั้นแหละเราจึงต้องออกมาฝึกฝน แม่ในระหว่างที่เรียกว่าบวชคือฝึกฝนการบังคับตัวเองฝึกฝน <c oughs> กำลังจิตให้มีกำลังจิตเข้มแข็งมากพอให้มีความอดกลั้นอดทนให้ทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นการบีบขั้นกิเลส ไม่ให้กิเลสมันบีบพั้นเราพ่อบ้านที่ดีไม่ใช่ง่ายจะต้องมีความรู้เพียงพอจะต้องมีสติสัมปชัญญะเพียงพอจะต้องมีความอดกลั่นอดทนเพียงพอมีสมาธิเพียงพอตามสมควรแก่กรณี นั่นอย่าเห็นว่าไอบ้บวชสามสี่เดือนนี่มันจะพอผมคิดว่ามันจะได้เพียงข้าวเงื่อนเพียงข้าวเงื่อนงั้นสำหรับศึกษาต่อไปนี่ก็นับว่าดีที่สุดแล้วโอกาสสามเดือนสี่เดือนเนี่ยศึกษาให้รู้เรื่องราวให้รู้เหตุผลให้รู้ข้าวเงื่อ <c> น <oughs> ของการที่จะเป็นมนุษย์ผู้ชนะโลก แล้วก็จะต้องศึกษาฝึกฝนต่อไปแม้กลับออกไปเป็นคราวาสแล้วมันก็ยังต้องทำอยู่นั่นแหละต้องทำการศึกษาฝึกฝนต่อนี่ไม่ต้องพูดถึงธรรมะหมดทั้งหมดในาศาสนาเพียงแต่ธรรมะชั่วความเป็นคราวาสสำหรับความเป็นคราวาสที่สมบูรณ์นี่ก็ยังต้องศึกษากันถึงขนาดนี้เผอิญว่ามันมาตรงกันกับเรื่องของพระธรรม ที่จะอยู่อย่างเป็นในเพศบรรพชิตมันก็มีธรรมะมากมายหลายอย่างหลายประการตรงที่ก็ตรงกันเลยบรร พ, พชิตก็ใช้ธรรมะนั้นคาราวาสก็ใช้ธรรมะนั้นศึกษาฝึกฝนให้มองเห็นให้เข้าใจให้รวบรวมเขาว้นี่เรียกว่าเพราะเหตุที่ว่าเรายังขาดคุณสมบัติสำหรับ จะเป็นมนุษย์ที่ดีหรือจะพูดให้ชัดตรงไปว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยจะเป็นพ่อบ้านที่ดีเพราะเหตุมันขาดสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องทำคือทำการศึกษาแต่ถ้าไม่มาบวชก็ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนอย่างไรและไม่สะดวกและไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์เหมือนกับว่ามาบวช <c oughs> ศึกษาอย่างเป็นพระนั่นก็ศึกษาส่วนนั้น แต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้มันไปใช้ได้แม่เมื่อลาสิกขาไปแล้วสัจจะสัจธรรมะคันตีจาระคาเข้าใจว่าเคยเรียนกันมาแล้วอย่างนี้พระก็ใช้นะพระก็ใช้อย่างยิ่งนจึงจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการปฏิบัติมีสัจจะมีธรรมะมีคันตีมีจาระคาและธรรมะหมวดนี้มีชื่อเรียกว่าขราวาตสธรรม หมายความว่าคาราวาทธรรมจำเป็นจะต้องมีธรรมะเหล่านี้หรือถ้าดีกว่านั้นก็เป็นธรรมะสาหรับคาราวาจะใช้ ย, ยกตนเองจากระดับต่าขึ้นไปสู่ระดับสูงหรือพ้นจากความเป็นคาราวาต่อสิถ้าคาราวาต้องการจะเจริญในทางจิตใจเหนือความเป็นคาราวาก็ใช้คาราวาทธรรมนี่แหละศึกษาดู มันจะช่วยกราวาดพ้นจากความเป็นกราวาดไม่ใช่ว่าสำหรับจะจมอยู่ในความเป็นฆราวาสนั้นมันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มีแผนการหรือหลักการอะไรที่จะให้คนจมอยู่ในความเป็นฆราวาดมีแต่จะให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนพ้นจากระดับนั้นมีจิตใจสูงกว่าระดับนั้นคำ ว, ว่าคราวาสธรรมควรจะมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่สำหรับ จมอยู่ในคาราวาสแต่จะลุดออกไปได้จากความเป็นคาราวาสนั้นการบวชของเราก็เลยเป็นการฝึกฝนครบถ้วนชะ่ยอยู่เป็นคาราวาสกันเพื่อจะอยู่เป็นาวันพระชิดกั น, ด น, นกได้จะเป็นคาราวาสก็ไดแล้วก็ขอพูดถึงอานิสงส์ใหญ่หลวง ้องการบวชจะเลย <c oughs> ว่าการบวชนี่จะต้องได้อานิสงส์รวบยอดใหญ่ๆน ะ, ะสามประการคือตัวเราเองได้ที่ประการที่แรกประการที่สองญาติทั้งหลายมีวิดามารดาเป็นตน้นหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายลอยได้แต่ประการที่สามก็คือพระาศาสนาหรือโลกทั้งปวงนี่ พลอยได้ข้อแรกที่ว่าเราผู้บวชจะพลอยได้ก็เหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วตลอดเวลาถ้าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงก็มันก็ได้ผลอย่างที่ว่าสำหรับตัวเราเป็นการได้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่มีค่ามากเลือกที่จะตีค่ากันได้ได้สิ่งที่ดีจนเหลือกการที่จะตีค่าเขาเรียกว่าหาค่าไม่ได้หมายความว่า อยู่เนื้อการตีค่านั่นค่อยเราบวชจริงเรียนริงปฏิบัติจริงได้คนจริงแล้วก็จะได้รับสิ่งทึ่อยู่เนื้อการตีค่าเนี่ยค่อ ย, อ, ยอุตส่าห์อดกลั้นอดทนตั้งอกตั้งใจทําให้ได้มันคุ้มค่ากันเถอเกินทีนี้ที่บิดามันดาพระผู้มีพระคุณทั้งหลายจะคอยได้รับนั่นนะมันก็เป็นในสิ่งผูกพันมนุษย์สิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกัน เรามีบิดามารดาเป็นเจ้าหนี้บุญคุณเราเป็นหนี้บุญคุณเราต้องตอบแทนการตรอบแทนอย่างอื่นนั่นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีเท่าหรือไม่สูงเท่าการบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งจะดึงจะจูงบิดามารดามาใกล้ชิดกับาศาสนามากขึ้นจะไม่ก่อนเขาใช้คำพูดว่า เป็นญาติในศาสนามากขึ้นถ้าถูกพระมากเกี่ยวข้องกับศาสนามากขึ้นทั้งทางวัตถุทั้งทาง จ, จิตใจก่อนนี้พ่อแม่ไม่ค่อยเข้า ว, วัดพอลูกมาบวชอยู่ในวัดก็เขา้ขาเช้าเขา้ขาเย็นอย่างนี้แล้วก็จะศึกษาอะไรอีกหลายหลายอย่างแล้วถ้าว่าลูกสามารถก็ยิ่งดีใหญ่นะคือจะไป ช่วยแนะนําสั่งสอนชักจูงขี้แจงกล้องกันอะไรให้บิดามารดานะรื่อรู้ธรรมะมากขึ้นและปลอดภัยจากกิเลสมากขึ้นนี่เป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดนะคือเราทําบิดามารดาปลอดภัยจากกิเลสมากขึ้นคอยช่วยนึกไว้ด้วยถ้ามีความกระตันอยู่ต่อบิดามารดาคอยช่วยนึกไว้ด้วย ว่าเราได้บวชทั้งทีเนี่ยเรายังมีหน้าที่ส่วนหนึ่งคือจะทำให้บิดามารดาปลอดภัยจากกิเลสนะมากขึ้นสบายมากขึ้นมีความพาสุกในทางธรรมะนะมากขึ้นข้อนี้อย่าลืมข้อนี้อย่าลืมเพราะมันทำได้พร้อมกันไปในตัว ถ้ามีเวลามีโอกาสก็ชี้แจงแนะนำหรือแม้แต่ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูอยู่ทุกวันมันก็ ก, ก็ก็เหลือเหลือเกินแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเป็นตัวอย่าง อ, อยู่ทุกวันทุกวันบิดามารดามาเห็นเขาก็พอใจยิ่งกว่าจะพอใจมีความศรัทธาภาษาธะเลียมไซในธรรมะในศาสนายิ่งขึ้น คำว่าบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดานี่เป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ใช่คำพูดเล็วไหลไม่ใช่คำพูด อ, อ้างกันสนุกสนุกมันต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงๆใญาติทั้งหลายแม้แต่ญาติญาติห่างๆให้ก็ตามเลยไม่ไม่ต้องเกพ่ยวบิดามารดาเรา ขอไ ด, ได้รับประโยชน์จากการบวชของเราด้วยนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งข้อที่สองอข้อที่สามนั้นว่าให้พระศาสนาได้รับประโยชน์ให้โลกทั้งโลกได้รับประโยชน์พระศาสนาได้รับประโยชน์คือมีคนบวชซืบ อ, อายุพระารนา <c oughs> บวชกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็สืบ อ, อายุประสาศาสนาเท่านั้นวันเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีขออย่างเดียวคือว่าให้มันบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนสืบบกันไปจริงเราทำอย่างนี้สุดความสามารถเอาบวชสามเดือนเสร็จไปที่สึกไปเป็นคาราวาสก็ทำอย่างนี้อีกและยังคงทำอย่างนี้อยู่อีก ยังใช้ธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนตามธรรมชาติของพระธรรมซึ่งจะช่วยผู้ที่มีธรรมะนั่นแหละให้รอดจากความทุกข์ทงปวงนี่คือพระศาสนาได้รับการสืบ อ, อายุพระศาสนาจากเราผู้กำลังบวชอยู่ และจากเราภูมิแม้จะลาสิกขาออกไปแล้วก็เพราะว่าเราไปเป็นว า, ส, วาสุกุบาสิกาเป็นคาราวาที่ดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาอยู่ตลอดเวลานี่ศาสนาได้รับประโยชน์คือมีผู้สืบ อ, อายุศาสนาแต่ถ้าบวชไม่จริงบวชแล้วไหลมันไม่มีผลตรงกันข้ามเราขอให้กลัวให้มากอย่าไปคลองแวะเลยทีนี้ที่ว่าประโยชน์จะได้แก่สัตว์โลกเนี่ย มันเป็นการที่มองเห็นได้ไม่ยากนะักถ้าศาสนามันยังมีอยู่ในโลกโลกนี้มันก็ปลอดภัยนั่นการที่บวชนี่เป็นการทำให้ระศาสนายังมีอยู่ในโลกลคนที่อยู่ในโลกก็พ้อยได้รับประโยชน์จากศาสนาหรือจากพระธรรมนี่มันเป็นอนุภาพอัน ศ, รรศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมเพราะถ้ามีอยู่ในโลกแล้วก็คุ้มครองโลก มันเราถ้าให้มีอยู่ในโลกโลกก็พลอยได้รับประโยชน์สัตว์โลกข้างโลกพลอยได้รับประโยชน์จากการที่เราสืบ อ, อายุพศศาสนาไว้ในโลกหนึ่งนี้ไม่ใช่เล็กน้อยถ้ามองเห็นแล้วก็จะเกิดกําลังใจมหาศาลในการที่แกประพฤติให้ดีที่สุดให้เป็นการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงแล้วก็เผยแพร่สอนต่อๆกันไปจริงๆ ทุกคนทำการเผยแผ่ได้ไม่ต้องเป็นพระนักเทศเผู้บรรยาย อ, อ, อันมีชื่อเสียงหรกขอจะให้เราปฏิบัติธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วแสดงให้ผู้อื่นเห็นนั่นแหละเป็นการเผยแผ่ที่ประเสริฐที่สุดคือเขาเห็นแล้วเขาพอใจเขานับถือเขาอดทนทนอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องทำตาม เรียกว่าเผยแผ่อย่างหุบ ป, ปากหุบปากเงียบนะแต่แสดงธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างยิ่งตลอดเวลาอคนเห็นข้าวก็เลื่อมสายจะเลื่อมสายยิ่งกว่าคนที่พูดมากซะอีกอเป็นการเผยแผ่ด้วยการทําตัวอย่างให้ดูเป็นผู้มีความสุขให้ดูว่าอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้มันมีความสุข แล้คนก็ก็พากันทำตามทำตามเนี่ยการเผยแพร่อย่างลึกซึ้งคือการเผยแพร่อย่างนี้ซึ่งได้เป็นมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลอ่ะการเผยแพร่โดยการเป็นผู้มีความสุขให้ดูเที่ยวไปในโลกให้ชาวโลกได้เห็น <c oughs> ตัวอย่างของผู้ที่ <c oughs> เอาชนะความทุกข์ได้ก็มาหันมานับถือพุทธศาสนากันมากมาย ไม่ได้มีการเทศวิทยุหรือพิมพ์หนังสือมากมายมหาศาลอย่างเดียวนี้ในทางพุทธการแต่ก็ได้ทำการเผยแพร่มาอย่างประสบความสำเร็จนั้นขออย่าได้เท่าถอยว่าเราไม่มีอะไรทำอะไรจะไปเผยแพร่อย่างไรได้เราปฏิบัติธรรมะให้ดูนั่นแหละคือการยอด นั่นคือยอดสุดของการเผยแผ่การเผยแผ่ชั้นสุดยอดคือการปฏิบัติธรรมให้ดูมีความสุขให้ดูเอาแล้วเป็นนั้นว่าการบวชของเราเนาะมีโอกาสที่จะได้รับอานิสงประเสริฐที่สุดถึงสามประการคือว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเกิดใหม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดใหม่ในอริยชาติ แล้วก็ญาติทั้งหลายมีดามันดาเป็นต้นก็พลอยได้รับธรรมะกุศลมหาศาลให้ศาสนาและโลกทั้งควง ก, ก็พลอยได้รับอาการสืบต่ออายุและการอยู่กันอย่างสงบสุขมันเกินค่านะยแ <c oughs> ม้ว่าจะต้องอดทนอดกลั้นอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็ยังเกินค่า ที่ไดบวชสามเดือนทําได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าได้ผลมหาศาลเหมือนกนันเป็นเรื่องที่จะต้องหาตรัสสินเอาเองนะในที่สุดมันก็จะต้องพูดว่าต้องจริงคำเดียวคือจะได้รับประโยชน์ตามนั้นตามที่พูดมานั้นนะได้ก็ด้วยในสิ่งที่เรียกว่าจริงจริง คำเดียวค่อยๆบวชจริงบวชจริงๆนะเคารพระเบียบวินัยของการบวชจริงๆไม่ใช่บวชเล่นบวชหลอกบวชลวงอะไรบวชจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงมอบกายถวายชีวิตให้แก่การปฏิบัติเลยเรียกว่าปฏิบัติจริงอ้าเรียนจริงก่อนบวชจริงแล้วก็เรียนจริง อนไนที่มีเรื่องที่จะต้องเรียนก็เรียนจริงๆเรียนอย่างที่เรียกว่าพอใจแล้วก็ปฏิบัติจริงปฏิบัติสุดกำลังความสามารถขั้นปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลจริง <c oughs> ได้ผลจริงเนี่ยเป็นการตอบแทนมหาศาลแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก็แนะนำสั่งสอนไปตามที่จะทำได้ <c oughs> เรารู้เท่าไหร่ <c oughs> เราก็มีสิทธิที่จะบอกกล่าวสั่งสอนแก่ผู้อื่นเท่านั้นแหละแม่จะไม่สูงสุดหรือหมดทั้งศาสนาก็เอาเท่าที่เรารู้เราเข้าใจเราปฏิบัติได้เรามีอความชอบธรรมที่จะพูดจะบอกจะสอนไปตามที่เรามีอยู่ <c oughs> อย่างนี้ไม่มีทางตีเตียนนะอผมอยากจะพูดว่าแม่บวชวันเดียวก็สอนได้ แม่บุพเพื่งหวดได้วันเดียวอ่ะอืแต่ถ้ามีความรู้จริงที่ปฏิบัติได้จริงแล้วปฏิบัติอยู่ก็บอกได้บอกตามที่เราทําได้เท่าที่เราทําได้นั่นไม่ต้องททษใจที่ว่าจะสอนใครไม่ได้มันมันมีการสอนได้ด้วยการทําให้ดูแล้วก็พูดตามที่รู้อยู่เท่าไรที่นี่ มีหมวดธรรมะที่อยากจะฝากอา่าฝากไปให้ฝากไปเลยในคราวเดียวกันว่าไอ <c oughs> ห, หมวดธรรมะท่านเล็กๆหมวดหนึ่งในนวโกวาดนะ <c oughs> ที่เรียกว่าอปันนักกะปฏิปธานี <c> ่ <oughs> นี่เขาเจอกเายผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นพวกหวดมา <c oughs> หลายหลายวันแล้วหลายตั้งคึ่งพรรษาแล้วมันคงจะผ่านในธรรมะ ในนวโกวาดมาตามสมควรอบปณนกาปฏิปทาอินทรสังวรโภชเนมตัญยุตาชากรยานุโยพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้ในในพระบาลีข้อนี้ว่าตัสสะเยนิอาสวัคยายะอารพภาผู้ได้ประพฤติป็ดวัติสามอย่างนี้ การเกิดหรือกำเนิดของบุคคลนั้นปรารบความสิ้นอาสวะแล้วมันเป็นในหมวดธรรมทิปประหลาดที่แสดงว่าดูใล้ายๆก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไรนะแต่ท่องแสดงไว้ว่าสิ้นอาสวะแต่แล้วในที่สุดมันก็มาตรงกับเรื่องของคราวาดอย่างยิ่ง <c oughs> ทาคาราวาดประพฤติปฏิบัติธรรมะหมวดนี้อยู่ก็เป็นการปรารบเพื่อความสิ้นอาสวะด้วยเหมือนกันไม่เสียวพระชา้า <c> ค <oughs> ่ให้สนใจเป็นพิเศษเถิดว่าอินทรียสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใหญ่ยยผิดพลาดได้จากการที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ รับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสพุถพระธรรมารม <c oughs> เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมดาดังนั้นมันก็ต้องมีการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะไม่มีความรอบรู้แล้วอันนั้นแหลมันจะเป็นเหตุให้ทำผิดให้เกิดกิเลสแล้วเป็นทุกข์ <c oughs> สงรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีสติปัญญา ศึกษามาในเรื่องของความรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองนะไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหน <c oughs> แล้วก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ <c oughs> จะต้องควบคุมให้ถูกต้องาการ ดูด้วยตาการฟังด้วยหูการดมด้วยจมูกการลิ้มเ้ยลิ้นการสัมผัสด้วยผิวหนังการรู้สึกด้วยจิตใจนี่จะต้องมีสติปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบอย่าไปรักไอ้ที่มันน่ารักอย่าไปโกรธเกลียดที่มันน่าโกรธ น, น่าเกลียดหรือแม้ที่มันน่ากลัว <c oughs> ถ้าไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวแล้วมันล่มละลายแล้ว <c oughs> จิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจไปเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นจะแล้ว <c oughs> ถ้ามีสติปัญญาพอมันก็จะรู้ว่าไอ้น่ารักมันก็สักว่าน่ารักอถ้าไปรักมันก็หลงโง่เป็นธาตุของมันที่ไปโกรธไปเกลียดกันเหมือนกันก็ไม่ต้อง แล้วก็มีจิตใจอยู่ตรงกลางเป็นอิสระมีจิตใจอยู่ตรงกลางไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรหมดอ่ะถ้ามีสติควบคุมได้อย่างนี้ก็เรียกว่า <c oughs> สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้ล้วคุณก็ลองคิดดูเถอะว่ามันจะมีประโยชน์กี่มังน้อยเดี๋ยวนี้ที่มัน ฆ่าฟันกันตายมันฆ่าตัวเองตายยิงตัวเองตายยิงเมียตายยิงลูกตายมันก็ล้วนมาแต่จากอมามาแต่การที่สั้รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ไม่ได้ถ้าสั้รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้เรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีนี่คิดดูฉะนั้นขอให้เห็นชัดและถือไว้เป็นของเกรงครัดว่าแม่ไปเป็นคาราวาสแล้ว ก็จะต้องสัรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเ <c oughs> มื่อคาราว่าสัมรวมอยู่อย่างนี้นการปฏิบัติของเขาเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสตามสมควรแก่เหตุการณ์ตามสมควรแก่กรณีเ <c oughs> นี่ข้อที่หนึ่งว่าสัมรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ข้อที่สองที่โพชนเนมันตันยุตานะ <c oughs> รู่ประมาณในการบริโภค <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะที่ ท, ท, ท, ที่ใครเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันวินาศทุกคนเลยไอ้คนทั่วที่มันต้องวินาศทางเศรษฐกิจหรือวินาศทางการทำขั่วอุทจริได้ต่างๆนานาเ็เพราะว่ามันไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมันอยากกินอยากเล่นอยากมีอยากช้ายอย่ารเกินเกินเกินฐานะของตน ท่า <c oughs> นอในรู้ความพอดีคือไม่น้อยไม่ขาดและไม่เกินคำว่าการบริโภคลู่ ป, ประมาณในการบริโภคคำว่าการบริโภคคำเดียวนี้มันขยายเนื่องออกไปถึงว่ า, าการที่จะหามาบริโภคาการที่จะเก็บไว้บริโภคและการจะใช้จ่ายบริโภคาการที่จะแจกปันไปให้เพื่อนฝูงได้ปล่อยบริโภค พฤติการจะเสียสละตามหน้าที่ของมนุษย์ช่วยเหลือเพือ่อนมนุษย์นันก็อยู่ในคำว่าบริโภคบริโภคไปหมดน <c oughs> ั้นรู้จักความถูกต้องดีกว่าในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการบริโภค การหามาก็ดีการเก็บไว้ก็ดีการใช้สอยก็ดีการจะเจียดไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ดีล้วนแต่รวมอยู่ในคำว่าบริโภคอของบุคคล น, นั้นนั้นต้องทำให้ถูกต้องนะจำเป็นไม่จำเป็นสำหรับคาราวาทแม้พระก็จำเป็นพระที่ไม่ถูกต้องในการบริโภคนั้นออกิเลยก็ครอบงำเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ทาผิด ทั้งที่อยู่ได้นะ่ะยังกยงก็ก็ทํำสิ่งที่ไม่ควรจะทำํำยิ่งเป็นคาราวาดโดยแล้วยิงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคเพราะว่าการบริโภคมันเป็นของธรรมดาสามัญจําเป็นที่สุดสําหรับมนุษย์มนุษย์จะอยู่โดยการไม่บริโภคนะไม่ได้มันก็ต้องมีการบริโภคที่ถูกต้องมันคือรู้ความพอดี <c oughs> นี่ข้อที่สองลองเป็นอยู่อย่างนี้มันลดกิเลสมันลดกิเลสนั้นธรรมะข้อนี้มันก็เป็นการปรารพเพื่อความสิ้นอาสะวะแม่แม่แก่ของขราวว่านี่ข้อสุดท้ายที่ว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่เสมอคำ <c oughs> ว่าตื่นในที่นี้ไม่ใช่ตื่นตู้มไม่ใช่แตกตื่นถ้าเป็นการตื่นจากหลับ จากกิเลสจากความโง่จากอวิชชาเป็นผู้ตื่นอยู่ตรงกันข้ามกับคนหลับนะมันทาอะไรไม่ได้ถ้าคนมันตื่นอยู่มันก็ทำอะไรได้เพราะเราเป็นคนตื่นอยู่แต่มันมีความตื่นจากกิเลสจากอวิชชานะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เพียงแต่ว่าตื่นอยู่อย่างนี้ มันต้องมีจิตใจสดใสแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานเยือกเย็นนั่นมีจิตใจเช่นนั้นจึงเรียกว่าตื่นอยู่ด้วยความตื่นที่ถูกต้องไม่หลับด้วยกิเลสด้วยอวิชชาส่วนการจะ น, นอนถึงเวลานอนนั่นก็นอนนะก็คงนอนนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ต้อง ไ, ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่นอนไอ้นอนตามธรรมดาก็นอน่ะก็หลับตามธรรมดาที่ควรจะมีแต่อย่าให้มันมาก เวลาที่มันตื่นอยู่มากกว่าตามธรรมดาเวลาจะนอนก็มีสตินอนจนตลอดเวลานอนตื่นขึ้นมาก็มีสติรับช่วงกันต่อไปใหม่มันก็เลยมีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลาสตินั่นแหละเป็นเครื่องตื่นเมื่อไรมีสติอยู่เมื่อ น, นั่นชือว่าตื่นอยู่เมื่อไรขาดสติเมื่อนั่นชือว่าหลับ อย่างนี้จำเป็นนไหมจำเป็นสรบกคาราวาทหยจำเป็นเท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นคาราวาตต้องมีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่อย่างนี้มันจึงจะทำอะไรไม่ผิดก็เลยมีผลเป็นว่าถ้าตื่นอยู่อย่างนี้มันไม่เกิดกิเลสได้มันบรรเทากิเลสมันลดกิเลสมันก็เป็นไปเพื่ อ, อความสิ้นอาสวะ ตัดสะโยนิอาสวัคยายะอารัตธาโยนิของเขาปราลบเพื่อความสิ้นอาสะวะแล้วนั่นขอจํากัดความคําว่าอาสะวะก็บแล ว, ว่าไอ้สิ่งเศร้ามองที่ไม่ควรจะมีทุกๆชนิดเลยทุกๆชนิดเลยคาราวาสก็มีอาสะวะอย่างคาราวาสบรรพชิตก็มีอาสะวะอย่างบรรพชิตใครๆก็มี oh อาสะวะตามแบบของตน เหมือนกันหมดเน่อาสวะคือเครื่องเศร้ามองแก่ก จ, จิตใจแก่นิสัยสันดานสติปัญญาซึ่งทำให้เศร้ามองแล้วก็เรียกว่าอาสวะทั้งนั้นฉะนั้นขอให้จซ้ใยดีที่สุด <c oughs> ถ้าอย่างไรอย่างไรก็ต้องใดธรรมะหมวดนี้สามข้อนี้ติดไปกับชีวิตตลอดเวลาเรียกว่าอปัณกะปฏิปทา ก็จะเป็นภิกษุบรรพชิตที่ดีตลอดเวลาถ้าจะกลับออกไปเป็นคราวาสก็จะดีที่สุดดีที่สุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่นานรัว่าปรารบความสินาะสวะเร่อเรียนนักธรรมก็ขอให้เรียนรู้เรื่องนั้ น, น, นให้ดีด ทำความเข้าใจดีๆแล้วกาหนดจดใจให้ดีๆแล้วเอาไปใช้ได้สําเร็จประโยชน์นี่อาการที่เราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนต่อๆกันไปจริงๆเนี่อย่างน้อยก็คอยเป็นไปในอปนณกกะปฏิปทาสามประการนี่เถิดมันเหลือเหือเหลือประมาณแล้วเรียกว่าประโยชน์เหลือหลายเหลือที่จะกล่าวแล้ว สมรวมตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่มีพ้นทั้งความเป็นพระอรหันทรู้ประมาณในการบริโภคนี่อยู่อย่างกิเลสไม่ครอบงาย่ายีได้ตื่นอยู่เสมอเป็นการป้องกันไม่มีความผิดพลาดได้จำเป็นที่สุดแม้แต่คราวาสนั้นช่วยจำไปดีว่าเรียนนักธรรมตรีหมวดสาม เรื่องอรัณ ก, กะปฏิปทานะมันมีเรื่องเนื้อหาสาระมากมายถึงอย่างนี้ที่นี่เวลายังเหลืออยู่อีกบ้างก็จะพูดถึงว่าคราวาสนี่ไม่ใช่ว่าจะมีธรรมะตำตำตเตี้ตเตี้ยงู้งูง้งเงาเงาๆอย่างคราวาส มันมีเรื่องขี่น่าอัศจรรย์ที่ว่าคาราวาสกลุ่มหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าไปขอร้องให้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่คาราวาสพระพุทธเจ้าท่านสารเรื่องสุญญาตาสุญาาสญาตาปฏิสังยุตตาสุตตันตาคือบทสูตรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุญญาตาคือความว่าง เดี training, he he he he ๋ยวนี้เขาว่าไม่ไม่เอามาสอนไม่ได้คารวะเรื่องความว่างมาสอนไม่ได้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าตอบอย่างนั้นสอนอย่างนั้นเนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจเข้าใจเรื่องนี้ในความว่างนี่มันกินความมากแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนถ้าจิตไม่ยึดถือจิตก็ว่างเรียกความว่างของจิตที่ไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตน มองอีกทางหนึ่งใกล้กว่าสูงไปสําหรับคาราวาสแต่มองทางหนึ่งก็รู้ว่าไอเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายมันมาจากความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนทั้งนั้นมันแม้จะเป็นคาราวาสก็จังบันเทาความยึดมั่นถือมัน่นเรื่องตัวตนของตนนี้ให้มากเท่าที่จะมากได้มันไม่มีเสียหายมันไม่ไม่มีเสียหลาย อย่าเข้าใจผิดว่ามื่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ทําอะไรจะไม่ทําประโยชน์อะไรมันไม่ทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่มันทําด้วยสติปัญญามันจะทําการทํางานทํามาอเรื่องหาเรื่องชีวิตก็เธอเขอให้ทําด้วยสติปัญญาอย่าทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้ายึดมั่นถือมั่นพอสักว่าจะทํามันก็เป็นทุกข์แล้วทําอยู่ก็เป็นทุกข์แล้วทําได้แล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่ เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมันหนักอยู่บนจิตใจมันกดทับจิตใจตลอดเวลา <c oughs> แล้วให้รู้ว่ายธรรมะสูงนี่ต้องใช้แม้แต่เด็กๆความมียึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้ใช้ให้มีแม้แต่เด็กๆเพราะเด็กๆก็มีปัญหาอย่างเดียวกัน <c oughs> เด็กคนไหนขี้โกรธขี่โมโหดือ้อ <c oughs> เด็กคนนั้นมันมีความยึดมั่นถือมั่นมาก ถ้ามันลดความยึดมั่นถือมันได้มันจะดื้อลดลงมันจะโมโหน้อยลงมันจะขี้โกรธน้อยลงมันจะร้องไห้น้อยลงเมื่อของแตกของหายมันไม่ร้องไห้เมื่อมันสอบไล่ตกมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันเรียนใหม่ได้ที่เรียกว่าแม่แต่เด็กๆก็ยังมีเรื่องที่เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่น เราจะเห็นเด็กๆที่มันดื้อบิดามันดาไม่รู้คุณของบิดามันดาไม่รู้สมัครสมานสามัคคีในหมู่เพื่อนภู่เพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เป็นเหตุให้เกิดอาชยากรรมมากมายมหาศาลทวกทุกไปทุกอย่างถ้าลดความเห็นแก่ตัวลงไปได้มันก็จะเกือบไม่มีเรื่องราวอะไร มีความโลภ ก, ก็เพราะเห็นแก่ตัวมีความโกรธก็เพราะเห็นแก่ตัวมีความโง่ก็เพราะเห็นแก่ตัวเรียกว่าโลภะโทสะมุหามันเกิดขึ้นมาเพราะความเห็นแก่ตัวคือจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานถ้าเราอย่าทำอะไรไปอุปาทานทำด้วยสติปัญญามีหลักจำง่ายๆว่าถ้าเราจะถือศีลเนี่ยอย่าถือได้ความยึดมั่นถือมั่น มันจะเป็นศีลพฏตปารามารมันจะไม่ได้ผลและมันจะบ้าถ้าถือศีลก็ถือด้วยสติปัญญาเรียกว่ า, สม า, าสมาทานสมาทานศีลสมาทานทุต ด, ดงสมาทานสมาธิสมาทานแปลว่าถือเอาอย่างดีถือเอาโดยสติปัญญาแต่ถ้าถือโดยปราทานความยึดมัน่นถือมันแล้วมันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องหลงเป็นเรื่องมืด <c oughs> เป็นเรื่องที่ให้ผลร้าย ท่านอย่าได้ทําอะไรโดยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่แต่ทําอะไรก็ทํโดยสะมาทานคือดำเนินไปด้วยสติปัญญาเรื่องนี้การศึกษาในโลกก็ยังสอนกันอยู่ผิดผิดหรือขัดกันกับหลักอันนี้เขาสอนให้เด็กยึดมั่นถือมั่นให้มุมานะให้วังอย่างยิ่งให้ทะเยอทะยานอย่างยิ่ง แล้วก็จะได้ดีอย่างนี้มันผิดหลักธรรมะหมดเราจะสอนในเด็กรู้จักทำแต่พอดีด้วยสติปัญญาทำไปตามสบายนอนหลับสนิทไม่ต้องเป็นโรคประสาท ต, ตั้งแต่เล็กนัญนยาทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานแต่ทำด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องเรียกว่าสมมาทาน ถ้าใครถือศีลอย่างอุปาทานแล้วมันไม่มีผลอะไรนอกจากยกหูชูหางคมผู้อื่นมันไม่ได้มีผลอะไรถ้าถือศีลอยดยสมาทานจะได้ผลดีตามความมุ่งหมายของศีลทุกทุกประการอย่างนี้รู้ไว้ว่าเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นนั้นจาเป็นสําหรับทุกคนแม่ที่สุดแต่ลูกเด็ก อย่าให้เขาต้องเป็นเด็กดือ้อโกรธเก่งร้องไห้เก่งเห็นแก่ตัวเก่งอันนี้ไม่นเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเมื่อเด็กๆ ก, ก็ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงขอให้รู้ให้หลักลึกอที่เป็นใจความสําคัญของพระพุทธศาสนาคือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมัน่นหรือสุญญาตา ตามที่พระพุทธเจ้าดได้ตรัสสอนเรื่องความมายุดมั่นถือมั่นนี่สเพธรรมานารลังอภิเวสายะนี่ผมสำรวจดูในพระบาลีพระไตรปิฎกมีผู้มาทูลถามตั้งเก้ารายสิบรายเรื่องอะไรเป็นในบทสรุปของพุทธศาสนาซึ่งสัจวาสเปธธรรมานารลังอภิเวสายะแต่แล้ว แต่แล้วคราวาททั้งนั้นเลยในข้าวรายสิบรายที่มาทูลถามนันเป็นคราวาททั้งนั้นกระทั่งเป็นในพระอินทไม่มีพระมับรรจิตไปทูลถามเลย<ช>นี่แสดงว่าในครั้งนู้นคราวาทนะเขามีการปฏิบัติธรรมะในระดับสูงเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ทิ้งไหวจะให้เป็นเรื่องของพระโดยส่วนเดียว เอาละเป็นั้นว่าเราไม่มารู้เรื่องว่าหเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายมาจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะสารพัดอย่างทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในที่สุดนี่ก็พูดกันสักข้อหนึ่งถึงเรื่องคราวาตธรรมอีกว่าคราวาสธรรมสี่ประการนั่นแหละ สำหรับฆราวาสยกตัวขึ้นมาจากความเป็นฆราวาดมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ให้ฆราวาสจมปลักอยู่ในความเป็นฆราวาสโดยธรรมะสี่ประการนั้นให้เราจงสอนเรื่องนี้การให้ถูกต้องมาจงปฏิบัติเรื่องนี้แห่งกันให้ถูกต้อง <c oughs> ก็จะเป็นผู้เดินถูกทาง <c oughs> เกิดมาเดินถูกทาง นี่ใชถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาศึกษาเรื่องเหล่านี้มันเจ็บเหมือนกับคนหลับตาเดินไม่ถูกทางพอมีความรู้เรื่องนี้พอสงควรแล้วมันก็กลายเป็นเดินถูกทางเพื่อว่าเราจะได้ไม่หลงทางของมนุษย์ฟังดูมันก็น่าหัวเป็นมนุษย์ที่ไม่หลงทางของความเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์โง่มันก็หลงทางของความเป็นมนุษย์นั่นเองมันเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เนี่ยมันน่าละอายสักเท่าไรให้เราก็อย่าเป็นผู้หลงทางของความเป็นมนุษย์ให้เราเ ด, ดินทางถูขนทางความเป็นมนุษย์ตามลาดับตามลาดับมา เหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วในการบวชของเรานี่แม้จะบวชระยะสั้นก็คอยสาเร็จประโยชน์ในการที่จะได้ไม่ลงทางของมนุษย์มีอะไรอะไรที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยข้อความที่ผมหวังจะพูดจะตั้งใจจะพูดให้พระราชพัดทั้งหลาย รุปความว่าขอแสดงความยินดีในการที่ได้มีโอกาสบวชเป็นราชฎพัฒแล้วตั้งใจอย่างแน่วแน่มั่นคงที่จะศึกษาธรรมะที่เหมาะสมแก่ความเป็นราษฎพัฒแล้วก็จะได้ผลทั้งว่าจะอยู่ต่อไปมันก็อยู่ได้จะลาศิกขาออกไปมันก็ยังได้และได้รับผลเต็มที่ดีที่สุด กว่าที่จะไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้ศึกษาอบรมอย่างนี้เลย <c oughs> แลเป็นนั้นว่าเราได้พยายามกันอย่างดีที่สุดแล้วในการติฆะในชำระปัญหาต่างๆของความเป็นมนุษย์นี่ให้มันหมดสิ้นไปพร <c oughs> ขอมเขอ ยุติการบรรยายในวันแรกนี่ไหวเพียงเท่านี้ขอให้กำหนดใส่ใจไปทุกข้อถ้ากลัวจะลืมก็จดไว้แล้วไป่ายครวนต่ออีกโดยละเอียดก็จะสำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์มุ่งหมายของการอบรมนี้ทุกๆประการ ขอยึดตีการบรรยายในวันนี้